Mm hmm. เราทุกคนก็ล้วนแต่ลักสุขเกลียดทุกข์ไอความรู้สึกอันนี้มันก็ทำให้คนเราพยายามที่จะหลีกหนีความทุกข์ความยากความลำบากก็ทำให้เรามีแรงผลักแรงดินน้นหล่นที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ทาให้เกิดความสุขความสบาย ซึ่งมันก็มีส่วนในการที่จะทำให้มนุษย์เราสร้างความเจริญมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าในความรักสุดเกลียดทุกนี้ถ้ามองให้ดีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะทำให้คนเรามีความสะดวกสบายทางกายมีความพ ร, พร้อมทางวัตถุ แต่ว่ามันก็เป็นตัวการใหญ่ที่ทําให้คนเรามีความทุกข์ใจอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าคนเราสมัยนี้เนี่ยไอ้ความทุกข์กายเนี่ยมันก็มีน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนแล้วความทุกข์กายมีน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปก็คือความทุกข์ใจ อาจจะพูดได้ว่าคนทุกวันนี้มีความทุกข์ใจมากกว่าคนแต่ก่อนวนเนี่ยเป็นเพราะความคาดหวังความสุขความปรารถนาความสุขหรือว่าความมุ่งมั่นในการที่จะมีความสุขนี่มันมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการได้ความสุขอย่างที่เราต้องการ แต่ว่าพอเราต้องสูญเสียความสุขนั้นไปก็เลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมายิ่งเรารักสุขเท่าไหร่พอเราสูญเสียความสุขนั้นไปเราก็จะยิ่งมีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจ มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรักในสุขนั้นยิ่งรักมากเท่าไหร่พอพัดพรากสูญเสียไปก็ยิ่งเป็นทุกข์รักความสะดวกสบายความพั่งพร้อมทางวัตถุโดยเพราะยิ่งคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันต้องให้ความสุขกับเราพอสูญเสียมันไปทุกเลย คนที่รักแหวนเพชรรักสมบัติพอสูญเสียมันไปนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าเมื่ออาทิตย์แล้วก็มีพระในวัตอาจารสมใจก็ไปลาสัตหะไปไปโปรดไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งอายุแปดสิบแล้วทุกข์มาก กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายภายผอมป่วยซึมเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยที่รักที่หวงแหนเนี่ยหายไปหลานคงจะกวาดเผลอกวาดลงขยะไปก็เลยซึมเศร้าอายุแปดสิบแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้เป็นเพราะอะไรนะ เป็นเพราะว่ารักพลอยมากรักพลอยเม็ดนั้นมากพอเสียมันไปก็เลยทุกข์เลยถ้าหากไม่รักมันนะก็คงไม่ทุกข์หรอกให้ความรักสุขนี่มันก็สร้างปัญหาให้กับเราเหมือนกันเช่นเดียวความเกลียดทุกข์เกลียดทุกข์เป็นเกลียดความ แก่ความเจ็บความป่วยแต่พอต้องเจอเข้าทุกเลยนะบางทีความแก่เช่นผมงอกหนังเหี่ยวตกกระมันไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์กายอะไรเลยแต่ว่าหลายคนที่เกลียดความแก่พอเห็นอาการสัญญาณแบบนี้นี่ เศร้าเลยอันนี้มันเป็นเพราะความเกลียดเกลียดความแก่ทั้งที่มันก็เป็นธรรมดาจริงอยู่มันก็ไอความเกลียดนี่ก็ทำให้เราพยายามที่จะ ด, ดินน้นรนรักษาดูแลร่างกายให้ดีเพื่อให้หนุม่มให้สาวเสมอแต่ความแก่ความเจ็บความป่วยเนี่ย เราไม่มีทางหนีพ้นได้ความเกลียดทุกข์ทำให้เราพยายามหนีความทุกข์แต่ความจริงอันหนึ่งที่ไม่มีใครจะปฏิเสธก็คือว่าหนีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหนีพ้นหรือหนีพ้นได้ไม่หมดอาจจะหนีความจนได้แต่หนีความแก่ความเจ็บไม่ได้ แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเกลียดมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งทั้งที่มันไม่ได้ทำให้ทุกข์กายแด่อย่างใดไอ้ผมงอกนะตกกราหังเหี่ยวคำตำหนิคำวิพากวิจารสิ่งเหล่านี้สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้คนทั้งทงที่มันไม่ได้ทาให้ทุกข์กายแต่อย่างใด ได้ยินก็ไม่ได้ทําให้เดือดร้อนทางกายอย่างไรแต่ทําไมทุกข์มากก็เพเกลียดเกลียดคําวิจารณ์เกลียดคาตําหนิแล้วเราหนีพ้นไหมเราไม่มีทางหนีพ้นได้แม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะหนีคําดินทาว่าร้ายได้และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเกลียดมัน เราก็จะทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดจากใจของเราเองไม่ใช่เกิดจากคําพูดของเขาความร้อนความหนาวก็เช่นกันนะเวลาร้อนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเวลาหนาวก็เกิดทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ว่าเรามักจะซ้ําเติมไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาทางกายแต่ว่าทุกขเวทนาทางใจด้วยเพราะความเกลียด เปลี่ยนความร้อนเปลี่ยนความหนาวมันร้อนขึ้นมาก็ใจก็บนและโวยวายไม่พอใจสมำไมมันร้อนอย่างนี้ใจที่รู้สึกปฏิเสธถักไสไม่ยอมรับความร้อนความหนาวมันก็เพิ่มความทุกข์ให้กับเราเป็นความทุกข์ใจ และความทุกข์ใจนี่มันก็ทําให้ความทุกข์กายเพิ่มขึ้นก็มีบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะใจของเราที่รู้สึกปฏิเสธต่อต้านต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีถ้าเราไม่เกลียดมันในเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากอาจจะมีความไม่สะดวกสบายเ ล, ยเล็กๆน้อยๆ แต่พอใจมันเกลียดมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ทั้งใจและวบางทีเป็นทุกข์นำไปสู่ความทุกข์ทางกายอย่างลิงเนี่ยนะมันเกลียดกระปิมากถ้ามือมันไปถูกกระปิเนี่ยมันทํำยังไงมันก็เอามือเนี่ยเอานิ้วเนี่ยถู ก, กับหินถูกับเสาถูกับเปลือกไม้ รู้สึกก็ามาดมว่ายัางมีกลิ่นกะปิไหมถ้ายัางมีกลิ่นกะปิผมก็ถูอีกถูจนหนังถลอกมันก็ยังไม่เลิกถูจนกระทั่งเป็นแผลเลือดไหลบันทียังไม่เลิกถูเลยน่าสงสารมากคำถามคือว่าที่ที่ลิงเลือดไหลเนี่ยเป็นแผลเนี่ยเป็นเพกะปิหรือเปล่าถ้าดูให้ดีมันไม่ใช่นะกะปิไม่ได้ทําให้ลิงมีแผล มันก็แค่เหม็นเท่านั้นแหละใจที่ลิงมีแผลก็เพราะความเกลียดกัะปิเกลียดก็เลยทำทุกอย่างเพื่อขอจัดกระปิออกไปและการกระทำนั่นแหละที่สร้างปัญหาให้กับลิงความไม่ชอบกะปิก็เลยต้องพยายามขัดต้องถูต้องขัดเท่าไพยายามแก้ปัญหาแต่วิธีแก้ปัญหากลับเป็นการสร้างปัญหาให้มีมากขึ้น เมื่อที่ที่แล้วมีเกิดเหตุการ์ฆ่ากันตายคนที่ถูกฆ่านี้ถูกยิงสองคนขณะที่กำลังพูดเสียงตามสายแก่พูดเสียงตามสายแล้วก็เสียงมันคงคงดังแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมีความไม่พอใจเสียงที่ดังมากโกรธก็เลยคว้าปืน ไปยิงคนที่กำลังกระจายเสียงตามสายตายที่ดึงเสียงดังนี่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะแต่พอเกลียดเสียงดังเหลือเกินเว้ยกูทนไม่ไหวแล้วทำไมมันดังอย่างนี้สติแตกเลยสติแตกไม่พอโกรธคว้าปืนไปยิงตัวเองก็ติดคุก เสียงไม่ใช่ปัญหาแต่ความเกลียดเสียงอะคือปัญหาความเกลียดความโกรธเสียงก็เลยไปลงเอ่ยในคุกนะให้ความเกลียดทุกนี่มันมันสร้างปัญหากับเรานะแต่คนเรามักจะไม่ค่อยตระหนักตรงนี้ไปมองว่าทุก ค, คือปัญหาทุกไม่ใช่ปัญหา ต่ความเกลียดทุกต่างหาเวลาเจ็บป่วยหลายคนไม่ใช่แค่ป่วยกายป่วยใจทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นทกสาติทำความดีสร้างกุศลมาทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งเกลียดเนเกลียดมะเร็งเกลียดโรคภัยไข้เจ็บด้วยเลยทำให้สุดหนักเขามันทั้งเกลียดทั้งโกรธทั้งกลัว อีคุนป้าคนหนึ่งไปหาหมอก็ไปอยู่หลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแกตกใจมากแกไม่ยอมรับกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมบอกว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันก็เสียชีวิตแกตายเพราะก้อนมะเร็งหรือว่า แล้วก็มะเร็งคงจะไม่ทำให้แกตายเร็วขนาดนั้นบางคนเป็นมะเร็งตับอยู่ได้ถึงหลายปีห้าหกปีก็มีทั้งที่หมอบอกว่าอยู่ได้นะไม่กี่เดือนแต่ที่คุณเป้านี่ก็ตายเร็วก็เพราะใจที่มันเกลียดใจที่มันต่อต้านใจที่มันปฏิเสธมะเร็งมะเร็งที่ไม่เป็นตัญหานะใจที่มันต่อต้านมะเร็งเนี่ย ต่างหากที่เป็นปัญหาแล้วคนก็ไม่เฉลียวใจนะม่ตอนหนักว่าความรู้สึกต่อต้านของเรานั่นแหละคือตัวปัญหาความทุกข์มันไม่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับมันต้อนรับมันไม่ปฏิเสธเพราะยิ่งปฏิเสธยิ่งสร้างปัญหา ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงได้ก็ยอมรับมันซะหรือว่าเป็นนิกกับมันซะเลยหลายคนพอเป็นมะเร็งแล้วก็พยายามเชื่ยปรับใจยอมรับมะเร็งไม่เกลียดก้อนมะเร็งเรียกก้อนมะเร็งว่าคุณมะเร็งอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นี่คือใจนี่หายทุกใจนี่ไม่มีความเกลียดมา สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็มีแต่ความทุกข์กายบางทีก็ยังไม่ทุกข์กายโดยเพราะมะเร็งก็มันก็ยังไม่ถึงกับทําให้ร่างกายติดขัดอะไรคนที่ยอมรับมะเร็งแล้วก็เรียกก้อนมะเร็งว่าคุณมะเร็งอันนี้เขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ได้นานหลายปีบางคนหายก็มีแต่ถ้าใจมันต่อต้านปฏิเสธแล้วเนี่ยอันนี้ตายเร็ว เช่นเดียวกั HIV ไวรัสนะจริงคนที่อยู่ได้จนถึง20ปีก็ยังมีแต่จำนวนไม่น้อยเนะี่ย5ปีก็ตายแล้วเพราใจมันต่อต้านใจมันเกลียดเกลียเชื้อนี้แล้วสุดท้ายก็เกลียดตัวเองก่อนที่คนอื่นเขาจะรังเกียดตัวเองก็ตัวเองก็เกลียดตัวเองซะก่อน หลายคนตอมใจเพราะรู้สึกว่าคนเกลียดเราคนเห็นเราเป็นพวกน่ารังเกียจแต่ทีก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเกลียดอยู่ก่อนแล้วเกลียดตัวเองเกลียดเชื้อ น, นี้ตายเร็วห้าปีหกปีก็ตายแล้วงทีไม่ถึงด้วยซ้ำอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธมันเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วยอมรับมัน หรือว่าเป็นมิตรกับมันดีกว่าอย่าไปเป็นศัตรูกับมันความแก่ก็เหมือนกันนะถ้าไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับมันในเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอ้าวก็ยอมรับมันเป็นมิตรกับมันซะเลยมีคนหนึ่งรู้สึกอัอบราฮัมลินคอนมันก็บอกว่าวิาวธีการกจัดศัตรูที่ดีที่สุดก็คือการเป็นมิตรกับมันหรือการทำมันให้เป็นมิตรกับเราความตายก็เช่นเดียวกันนะ คนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูความตายนี่จะไม่มีความสุขใครพูดถึงความตายขึ้นมาก็ผวาอย่าพูดจะพูดแล้วยิ่งตัวเองป่วยไปโรครายนี่ยิ่งผวาเข้าไปอย่างทั้งเกลียดความเจ็บป่วยทั้งเกลียดความตายมันก็ยิ่งทิมแทงจิตใจไม่มีใครมีความตายพ้นแล้วจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับมันทําไม ทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับมันโดยเพราะเมื่อถึงเวลาที่มันใกล้เข้ามานะอย่าเป็นศัตรูกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกเป็นต่อต้านมันจะทําให้เราทุกข์มากขึ้นเจ็บปวดมากขึ้นต้อนรับมันซะเลยนะเป็นมิตรต่อความเจ็บป่วดไปมือความตายซะเลย จะใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ที่จะตีป่วยตีพายว่าโอ้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทําไมต้องเป็นชั้นก็มองว่าเออความเจ็บป่วยมาสอนอะไรเราเระเจ้ า, าจพุทธะบอกว่าป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องสังขารเรื่องไตรักความเจ็บไข้ามาเตือนให้เราฉลาดก็คือเข้าใจในเรื่องไตรัก อย่าไปมองความจะป่วยเป็นศัตรูให้หมอเข้ามาสอนทำเราหมอก็เป็นอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือผู้สอนผู้แนะนําในทางที่ดีให้เกิดความเข้าใจให้เกิดปัญญาความจะป่วยก็ทําหน้าที่นี้ได้ความตายของคนที่เรารักก็ทําหน้าที่นี้แก่เราได้คือสอนให้เราเตือนใจใเรารู้สัดจะทำ เหมือนนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราไม่เกลียดไม่ต่อต้านนอกจากความแก่ความเจ็บความป่วยความร้อนความหนาวคำตำหนิคำนินทารวมไปถึงความตายนะซึ่งใครๆเกลียดให้ความฟุ้งซ่านความเครียดความกังวลนี่ก็เหมือนกันนะเอกปฏิบัติ ท, ทําหลายคนเนี่ย จะมีความเกลียดอาการเหล่านั้นจะเป็นลกความสงบแล้วก็เกลียดความฟุง้งอันนี้คือปัญหาของนักปฏิบัติเลยเพราะว่าพอได้ความสงบแล้วก็หวงแหนกลัวจะเสียมันไปเมื่อวานนี้ได้ความสงบมากวันนี้ก็ยังติดใจยอยากได้ความสงบก็พยายามทำให้ได้ความสงบอย่างนั้นปรากฏว่าไม่สงบเสร็จแล้ว ยิ่งโมโหยิ่งขุดยิ่งหดหิดยิ่งขุนเคืองพยายามทําเท่าไหร่ก็ไม่สงบสักทีก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกเพราะอะไรทุกเพราะรักความสงบแล้วก็เลยอยากได้มันเหมือนเมื่อวานนี้จิตมันก็เลยไม่เป็นปกติไอ้เมื่อวานนี้ที่ไม่ที่สงบเพราะว่าวางใจสบายๆก็เลยสงบ แต่วันนี้ไม่สบายไม่วางใจสบายๆแล้วเพราะมันอยากได้ความสงบพออยากได้ความสงบก็จะมีความกลัวว่าจะไม่สงบเกิดขึ้นมันซ้อนกันขึ้นมามีอย่างที่ไหนมีความกลัวที่นั่นอยากรวยก็กลัวจนหรือกลัวจะไม่รวยอยากได้แชมป์อยากได้เหรียญทองก็กลัวว่าจะไม่ได้เหรียญทองก็เลยเกล็งไง ตอนซ้อมอ่ะซ้อมได้คะแนนดีเนี่ยหรือว่าตอนแข่งในระอบคัดเลือกก็ได้คะแนนดีแต่เพราะว่าพอแข่งจริงอะ่ะเหลวเลยที่เคยได้อันดับสองอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับ7อันดับ8เพราะอะไรเพราะความอยากก็เลยกลั ว, วจะไม่ได้เพราะกลัวแล้วก็เลยเกร็งเลยต้าปฏิบัติธรรมเพื่กได้ความสงบนะมันก็จะเริ่มเหตการณ์เกร็งเล็ก จิตก็ไม่ปกติก็เลยทําให้ไม่ได้ไม่สงบจริงๆไงและพอไม่สงบคือฟุง้งก็เกลียดความฟุ้งเนื่องจากเกลียดความฟุง้งก็เลยพยายามที่จะไปกดข่มมันก็เลยฟุ้งกันเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าวางใจเป็นกลางมีความสุขก็เออไม่ได้รักมันก็รู้มันเฉยๆต้อนรับความสุขความสงบแต่ว่าไม่ได้รักไม่ได้หวงแหนอะไร มาก็มาแล้วก็รู้ว่าอีกไม่นานเขาก็าไปเมื่อเขาไปก็ไม่ได้ทุกข์อะไรในตัวน้องเด็กการเวลาความฟุ้งเกิดขึ้นก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ต่อต้านก็ยอมรับเขาจะมาก็มาปฏิบัติเขาเหมือนกับอาการตุกะหรือแขกที่มาเยี่ยมบ้านกันนะไม่ใช่ไปขับสไล่ส่งเขาเหมือนกับเป็นหมูเป็นหมาเป็นศัตรู ไปขับสายไล่สรงเขาเขายิ่งแกล้งเรายิ่งจะตื้ออยู่ น, น, นานๆไอ้ความฟุ้งเนี่ยพอไปขับสายได้สรงเนี่ยมันตื้อหน้าดูเลยอยู่กับเราไป น, น, นานๆความเบือ่อความความหงุดหงิดก็เหมือนกันไปขับสายไล่สรงไม่ได้นะมันยิ่งแกล้งเราแต่พอต้อนรับเขาเหมือนแขกมาเยี่ยมเขาก็กลับกลายเป็นดีกับเราก็จะ ไม่มารบกลัวเรานา น, นเหมือนกับแขกที่มีมารยาทเพอเราปฏิบัติดีกับเขาเนี่ยเราพอเราปฏิบัติดีเขาเขาก็ปฏิบัติดีกับเราถึงเวลาเขาก็าไปแต่นักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปมวยแต่ขับสายไล่ส่งอาการเหล่านี้ก็เลยเป็นทุกข์เลยเพราะเขาแกล้งเราเลยไอ้พวกนิวรนทั้งหลายนี่ไปขับสายไล่ส่งไม่ได้นะกวนเลยนะนั้นฟุ้งก็ฟุ้งไปเอ๋อ ฟุ้งก็ฟุ้งไปเบื่อก็เบื่อไปแ้วเราก็ยังทำเหมือนเดิมเราไม่เกลียดเขาความกังวลก็เหมือนกันนะหลายคนมีปัญหานอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะใจมันฟุ้งฟุ้งเพราะอะไรเพราะว่าตอนกลางวันเวลาปฏิบัติไปกดข่มความคิดเอาไว้ไปกดข่มความคิดมันก็หลบในนะ แต่ว่าพอเราจะนอนเนี่ยเป็นช่วงที่เราเผลอความคิดมันก็เลยพลั้งพลวกมาโอ้ยฟุ้งจนนอนไม่หลับแล้วพอฟุ้งแล้วนี่ก็ไปพยายามต่อสู้กับความฟุ้งเพราะไม่ชอบเพราะมันทําให้ฉันนอนไม่หลับฉันเกลียดมันก็ไปกดข่มมันตอนนี้เลยฟุ้งใหญ่เลยพอฟุ้งแล้วมันมันไม่ใช่มีแค่นั้นมันมีความกังวลตามมา พอไม่ชอบความฟุ้งแล้วมันกังวลแล้วตายแล้วถ้านอนไม่หลับทำยังไงยิ่งไปพยายามทำให้มันหลับไปกดข่มความคิดก็มันก็ยิงไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำใจสบายๆหรือวางใจเป็นกลางไม่เกลียดมันมันฟุ้งก็ฟุ้งไปฉันไม่เกลียดเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งเองหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หลับตอนไหนยิ่งไม่ชอบความฟุ้ง อยากจะให้มันสงบแต่ยิ่งไม่สงบแล้วกลับฟุ้งมากขึ้นอยากจะนอนหลับมันก็เลยนอนไม่หลับเลยแล้วเวลาฟุ้งมันก็มีความกังวลแทนที่จะยอมรับความกังวลอดวนไปก็ไปพยายามกดข่มความกังวลเอาไว้รู้สึกเกลียดความกังวลนั้นเพราะว่าจะทําให้ฉันนอนไม่หลับ แล้ก็เลยกังวลสารพัดเลยกังวลว่าถ้านอนไม่หลับตื่นเช้าขึ้นมาทํางานไม่ได้เสียงานเสียกายก็เลยยิ่งกังวลคราเนี้พยายามตั้งตัวเป็นศัตรูวความกังวลเลยตอนนี้ตะสว่างคาตาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเออมันจะมาก็มาไอความฟุ้งมาก็มาความกังวลมาก็มานะฉันไม่เกียดแก่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะ ฉันก็จะนอนแกจะมาก็มาแต่ไม่ว่าอะไรอยู่ร่วมกันนะอย่างไม่ทำร้ายกันมันก็หลับได้เหมือนกันนะทุกของคนปัญหาของคนที่นอนไม่หลับก็คือมันอยากจะหลับเนี่ยมันเกลียดการนอนไม่หลับบางคนนี่กลัวการ น, นอนนะกลัวการ น, นอนมากเพราะว่า รู้ว่าถ้านอนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่หลับแล้วมันก็จะทุกข์แต่ปัญหาจริงไม่ได้ที่นอนไม่หลับเท่ไหรที่ว่าเกลียดการนอนไม่หลับยิ่งเกลียดยิ่งกังวลการนอนไม่หลับเท่าไหร่มันก็เลยนอนไม่หลับจริงๆในระหว่างที่นอนไม่หลับก็ทุกข์ด้วยนะไม่ใช่ว่านอนไม่หลับแล้วใจสบายหรือใจปกติเนี่ยในการที่เรา ลักสุกเกลียดทุกนี่เราก็ต้องตระหนักว่ามันคือปัญหาเหมือนกันนะถ้าความสุขมันเที่ยงลักสุกไปกไม่เป็นอะไรหรอกแต่ปัญหาคือความสุขมันไม่เที่ยงเนี่ยไม่ว่าสุขนั้นจะมาในรูปของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศความสะดวกสบายพลานามัยคำชมความสงบถ้ามันเที่ยงก็ลักไปเถอะ ปัญหาคือมันไม่เที่ยงไงเรารักมันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้รักเราด้วยทิ้งเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งรักก็ยิ่งทุกข์ยิ่งรักสุขก็ยิ่งทุกข์เรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งรักก็ยิ่งทุกข์เมื่อเขาทิ้งเราไปอเกลียดทุกข์อะเกลไปเธอถ้าหากว่าเราหนีทุกข์ไปได้ตลอด ถาราหนีทุกได้ตลอดแล้วก็เกลียดทุกได้ไม่เป็นหาแต่ว่าเราหนีมันได้ตลอดไหมความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความเจ็บความแก่นะคําตำหนี้ความตายความฟุ้งซ่านความกังวลไอ้พวกนี้มันทุกทั้งนั้นแหละแต่เราหนีมันพ้นไหมถ้าเราหนีพ้นก็เกลียดมันไปเถอะถ้าหนีไม่พ้นนะ แล้วมันเป็นเกิดขึ้นกับเราแล้วป่วยการที่จะเกลียดมันยอมรับมันหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันไม่เกลียดใครเดกันก็อย่าไปเกลียดแต่ถ้าเกิดว่ามีความเกลียดทุกแล้วก็อย่าไปเกลียดอตัวเกลียดนั่นเองทีน ะ, ะรู้ทันมันรู้ว่าเรากำลังเกลียดทุกขรู้ว่าเรากำลังเกลียดความฟุ้งซ่านรู้มัน อย่าไปพยายามเกลียดความเกลียดนะนักปฏิบัติบางคนนี่เวลาโกรธเวลาโกรธใครขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความทุกข์เพราะว่าคนดีเขาไม่โกรธกันนักปฏิบัติธรรมเขาไม่โกรธกันก็เลยไปโกรธความโกรธมันซ้อนกันอย่างนี้นะจิตนี่มันมันซ้อนรู้ว่าโกรธก็เลยโกรธความโกรธอย่ากปกดข่มความโกรธ เราก็ต้องรู้เอ้ยโกรธมาแล้วก็เราก็รู้มันเราไม่โกรธความโกรธแล้วเราก็ไม่เกลียดความเกลียดวางใจเพียงกลางกับมันได้รู้ให้ทันนะ น, นต้องใส่สติมากเพราะถ้ามีสติเนี่ยมันจะคิดซ้อนคิดมันจะโกรธซ้อนโกรธมันจะเกลียดซ้อนเกลียดแล้วก็เลยไปไม่รอดบางคนเกลียดความฟุ้งมากนะ พยายามกดข่มความฟุ้งไม่ให้ไม่ให้มันให้มันสงบเพราะว่าฉันโปรดปรานความสงบฉันอยากได้ความสงบแต่มันไม่สงบมันฟุ้งก็ไปดกดมันมันก็ยิ่งฟุง้งครัน้นี้ก็เลยเครียดเครียดแล้วก็ยังไม่รู้ทายความเครียดไปตั้งหน้าตั้งตาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ยิ่งเครียดหนะักยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่อยากโกรธนะ จากความฟุ้งเป็นความเครียดจากความเครียดเป็นความโกรธโกรธที่ไม่ได้อย่างที่อยากโกรธใครโกรธตัวเองโมโหลืมตัวเอารองเท้าแตะฟาดหัวเอาหัวโขกกำแพงทำไมมันไม่สงบวะทําไมไม่สงบวะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ความไม่สงบป็นอะไรที่ความอยากจะสงบไปมองว่าความไม่สงบคือปัญหาแต่จริงความอยากจะสงบคือปัญหา เพราะอะไรเพราะมันรักความสงบไงแล้วมันเกีียดความไม่สงบสุดท้ายก็หัวโขกำแพงคนหลาคนที่ไม่ปฏิบัติเขาังไม่ทำขนาดนั้นเลยเราปฏิบัติกลับลืมตัวขนาดนั้นเพราะวางใจผิดไปรักความสงบเกลียดความไม่สงบมันก็เลยสร้างปัญหาฉันก็ให้เราพยายามเรียนรู้ที่จะวางใจเป็นกลางให้ได้เห็นสุขก็เออ ก็ไม่ยินดีกับมันมากนะักเจอทุกข์ก็ไม่ยินไายกับมันมากนะัโดยเพราะเมื่อเราต้องอยู่ในโลกที่มันหนีความพันผวนแปรปวนไม่พ้นอย่างที่บอกนะรักสุขไปเถอะถ้าสุขมันเที่ยงเกลียดทุกข์ไปเถอะถ้าความทุกข์มันเราหนีพ้นแต่ถ้าสุขมันไม่เที่ยงก็อย่าไปรักมากนะเพราะจะผิดหวังเสียใจและเมื่อต้องเจอความทุกข์ ไม่วันแดก็วันหนึ่งหรือต้องเจอวันหลายครั้งก็เกลียดมันให้น้อยลงหน่อย